โทวมาใช่ไหมรอหน่อยได้ไหมถ้ายังไม่ตายถ้ายังสบายเดี๋ยวจะมารับสายมีเรื่องด้วนไหมหรือมีเรื่องปวดใจจะช่วยยังไงอยากเาตัวเองไม่รอดเบื่อกันถ้าจะยืมตังถ้าจะไว้วนันให้ช่วยยนะั้น